และการตักเตือนกันให้มีความอดทนซึ่งเป็นบูลฐานของความประเสริฐและเป็นรากฐานของศาสนาด้วยเหตุนี้เองที่มัมชาฟีร์หิมหุลโลได้กล่าวไว้ว่าหากอาลัลลอฮ์ไม่ประธานสิ่งอื่นนอกจากบทนี้ก็เป็นการพอเพียงสำหรับมนุษย์แล้ว ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยเวลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน ال و و و و นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการการะทำความดีทั้งหลายและตักเตือน